วันนี้มีเสียงรบกวนนิดหนึ่งนะแยกกันเอาแยกเอาอลองเป็นกับตายเลือกเอาจะเลือกเป็นหรือเลือกตายเลือกเป็นหรออืมอ่าเลือกเอาจะเป็นก็ได้จะตายก็ได้เราตามสบายแล้วกันอืม ไ่เปรียบปรึกษาปรึกษาเฉยปีหน้าเนี่ยสมมติเราแจกสลักกระเพื่นตอนกลางคืนดีไหมทำไมทำไมตั้งแจกกลางคืนทำไมตั้งแจกกลางคืนฮะ เออฝึกฝึกสายเจอมันเออเป็นประโยคบอกบอกแล้วประโยคคําถามไม่เจอบอกเราไปคิดว่าทําไมเราพ่ต้องพูดอย่างเนี้น โ อ, อ้พูดวา่วาการการพูดคือคพูดให้ฟังพูดให้คิดพูดให้จำแล้วก็พูดให้ทำอันไหนมันเยากันพวกเราคิดว่าเนี่ยมันยากัน มาสมหวดพูดให้ฟังอันนี้ไม่จะเป็นต้องจำาพูดพูดให้ฟังนะจ๊ะเรื่องในทถาวันเ ม, มื่อเช้าเมื่อเช้าหลวงพ่อทล า, ลาลพูดเรื่องอะไรเยอะมากโอ้อะไรนะ เออเลยใช้ได้ใช้ได้ให้พูดให้ฟังเราโอเคฟังให้ฟังพูดให้คิดอันนี้แล้วแต่คิดได้คิดไม่ได้พูดให้จำรือจำได้นะ่ะเพีเหลือแต่พูดให้ทำาน่ยประกาศสุดท้ายวันนี้พูดถึงพระอ น, นุนิดหนึ่ง เปิดพระเถระที่สำคัญแล้วก็อยากให้พวกเราทุกฝ่ายทั้งฝ่ายคารวะญาณโฉนผสมอ ง, องเลนก็ได้จำปฏิปทาพุทธาสาวกในสมัยพุทธกาลร์ื่อพระอน้น ปฏิปทางยิงจริงๆเราแทบมีความรู้น้อยมากรู้แต่ว่าเป็นพระอนนต์เป็นพระอุปัฏฐากรู้แต่ว่าพระอนน์เป็นปกะณนรุ่นเดียวกับพระเทเจ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องทุกคุศักยะใน่คือ ค, ความสำคัญ <c oughs> ที่สำกันคือที่เราไม่รู้คือพระนรนั้นะผู้เจ้าเคยให้เทศแนทนคิดดูความไว้วางใจอะครั้งหนึ่งเจ้าวงรับแขกนานมนก็เลยบอกเรียกพระนรมาว่ า, เ ร, ว า, า, ราเรานั่งนานแล้วปวดหลังนั่นงจะคงเป็นไปสุดท้ายกับพวกแล้วผู้เท้าก็ปวดหลัง ก็ขอปิ่งผนังปิงฝาให้พระอนุนต์แสดงธรรมแทนอันนี้ข้อหนังที่บู้าไว้หองใจประเด็นาข้อหนึ่งปข้อที่สองก็คือพระอนุนั์เป็นรุ่นดาวคาเดียวกับพระเจ้าพระอนุนต์เป็นคนที่มีอายุยืนรุ่นหนึ่ง ท่านมีอายุพรรศาการถึงร้อยยี่สิบปีแปลว่าอะไรพาอายุเท่ากับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบริพานแปดสิบก็แปลว่าพระ อ, อนหนลังจากเขาบอกหลักพระนุลริพานหลังพระพุทธเจ้าสี่สิบปีก็แปดสิบบวกสี่สิบก็เป็นร้อยยี่สปี ที่บอกทำไมถึงรู้ว่า120ปีของพระวท่านไตรภรินิพพานหลังพระพุทธเจ้าหลังจากพระเจ้าภรินิพพานแล้วพระองค์ก็เที่ยวสั่งสอนจารึกไปตามเหมือนพุทธองค์โดยความทรงจำที่มีอยู่คือพระศูน์พระนมเป็นพระศูนยนะเป็นพระศสนตร จนลงแล้วเวลาถึงส0สิบปีพวกนายนอายุที่ร้อยสาวร้อยยี่สิบแล้วเขาพิจารณาดูสังขารทางขันว่าอยู่ได้อีกนนไมไหมก็เลยรู้ว่าจะอยู่ได้ไม่เกินจัดวันจานนี้ไปท่านก็รู้ว่า จ, าจัดจวันจะปริพาน์แล้ว จะไปผริภานที่ไหนต้ับพิจารณาดูชื่อ ท, ที่เหมาะสมที่ควรเนื่องจากพระอา น, นุนมีพระญาติคือว่าสาขาราญาตนะพระญาติไม่ใช่พญาธิต้องสองฝั่งคือเมืองกระบี่ลพัฒน์กับเมืองเทวทหะเมืองกระบีละพัฒน์กับเมืองเทวทหักเขามีแม่น้ําโรหิเนขั้นครับ อยู่ระหว่างกลางเพราะนั้นเพราะท่านจะมีญาติทั้งสองฝั่งวิจารณ์ด้วยว่ า, ถ, าถ้าสมมติเราบริยผ่านคือไงคือตายเนี่ยถ้า ต, ตายเสร็จมันน่าจะสำหรับคนที่เป็นปุถุชนเะสําหรับคนที่เป็นปุถุชนอยู่แล้วมันน่าจะเกิดความยุ่งยากยุ่งยากจนเทวดธรรมชาติของปุถุชน คือจะขันเรื่องกระดูกในปัญหาเรื่องกระดูกก็จะเป็นตรงชื่อแสดงเรื่องมันมีทางสมัยพุทธ ก, การนะเรื่อการแบ่งกระดูกแกงอะไรนี้ท่านกาพิจารณาดู ว, ว่าเออเราจเจอ้าอย่างไงถ้านิพพานฝั่งนี้ญาติฝั่งโน้นก็จะเดือดร้อนแต่ปนิพานฝั่งโน้นฝั่งนีงก็จะเดือดร้อนก็เลยใช้วิธี กรนีผ่านกลางอากาคือเขาขึ้นและใช้เตโชกระสินอธิษฐานเพราะนั้นนอกจากท่านเก่งเรื่องอื่นและท่านยังมีกระสินด้วยทนะ่านเก่งเรื่องกระสินก็เตโชกระสินอธิษฐานให้หลังจากเตโชคือไฟไม่สรีระจนเหลือแต่กระดู เขาบอกว่ากระดูกัอท่านงนดงามมากถาวมันรับเหมือนกับเงินโลหะเงินกระดูกก็คือแตกเอาเป็นสองฝัง่งสองเมืองคือเมืองก บ, บิลพัทกับเมืองเทวทหะก็ไม่มีปัญหาละปัจจุบันเขาก็ สร้างสถูปสร้างเดลยเป็นที่เก็บอัติรองท่านไว้ น, นี้คือปฏิปทาของพระอานนุ น, นิโรธหนึ่งอรื่องหนึ่งคืพอพระอนุนิแสดงธรรมได้ค่อยว่ากันและปฏิปทาอีกอย่างหนึ่งคืพอพระอานนน์หรือพวกเราควรจะเอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างคือการทําทําเนื้อทําตัว หลังจากกุชชาวริาพานแล้ว <c oughs> องค์นี้เป็นประธานคืออุโอสโเป็นใหญ่ทีส่สุดคือพระมหากัสสปะส่วนตอนบริาพานนั้นพระมหากัสสปะยังอยู่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อยู่คนละเมืองกําลังเดินทางมาแล้วคนที่จัดการเรื่องประสบูศพคือพระมหากัสสปะอันนี้เป็นเรื่องเล่าเรื่องเนื้อดีตการ โดยฐานปรายถนาต่อกันในอดีตการเรื่องเล่าแล้วมันก็จะยาวถ้าทำไมผู้เจ้าตังบริพารตรงนั้นเรื่องมันก็จะยาวเอาสั้นๆกันนี้แหละรู้จักว่ า, านนพระนันรับพระม า, ากสะซาเนี่ภาษาเราก็เรียกเรื่องมาถามเรื่องมาคุยอะว่าเขาไม่อยากจะเรียกว่าตำหนิพอไป ระดับนี้แล้วคงไม่กันตันนีกันแต่ประตาชนก็เข้าใจด้วยการตันหนีกั น, น, กนพระมาฆาตปาลเรียกพระอานุมาถามว่าครั้งที่พระเจ้าปริพันี่ยังมีสิ ร, ระสังขารอยู่นั้นพระอานนุ์ไปอนุ ญ, ญาตให้สุภาพสัตรีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าคือเข้าเฝ้าคือเฝราสิระสังขารกะ ใ น, นเดืยวคอที่เป็นปุถุชนโกรธไม่ได้หรอกชื่อจะรำให้เสียอกเสียใจ น, นี้ก็คือน้ำตาน้ำตาเป็นหลังลงใส่ส ร, รยะของอาวุธไส้ก้าซึ่งเป็นการบังควรเขาเป็นธรรมดาเศร้าโศกเสีสยใจเป็นเรื่องของปุถุชนอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่ตั้งหน่ เรื่ที่สองก็คือพระอนนท์เป็นคนต้นแบบที่อนุญาตให้ผู้หญิงบวชเป็นพิจุนีอรนนิสุภาพตจจต้องขอบคุณท่านเนะอ ร, ริสุภาพสตยต้องขอบคุณท่านเนะถ้าไม่มีพระอนนท์ไม่มีพิสุไม่มีพิษุนีถ่า ม, มีท่านนะจะไม่มีก็อ่อนวันแล้วอ่อนอีก พระพุทธเจ้าก็ให้เหตุผลนะนะประการสุดท้ายก็ อ, อนุ ญ, ญาตพระนา้นาดังพระดังโคตมีอันนี้คือเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองก็คือพระอนนท์เนี่ยท่านเป็นชํานาญหลายอย่างแต่ที่สําคัญคือจีวอลที่เราน้มน้อมด้วย น, นั่นก็เกิดจากพระอานนท์ในคุณของท่านในความดีของท่านพระครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าสเสด็จแกรกับพระโคตรไปดูทุ่งนาว่าจะเอา คนก็ออกแบบจีวรจะต้องทอําไงไงตามพระอานุ์พระอนุนก็ไปเห็นทุ้งนาเหมือนนาของเราบ้านเราสมัยทุกวันน่ะมันคันนาปเป็นคันนาแล้วก็เอาตามนี้จีวรของเราทุกวันนั่นก็เลยตามแบบและนี่คือคนของพระอานุ์ถ้าหมดี <c oughs> ถ้าจะทานโดยประมาณทํามต้องตํำมี สุดท้ายุด้ก็คือได้แล้วสุดข้ามหากระส ป, ปะสั่งปรับอาบัติปรับอวัพระอาอนุนแต่อวัตไม่หนักปับเบาๆมันก็นทุกข์กดความจริงพระ อ, อนุนเป็นพระอุปัฏาท่านจะปฏิเสธก็ได้ท้านจะอธิบายก็ได้แต่ท่านเลือกที่จะ แสดงอาบัตคือปลงอาบัตเงื้อไม่จำเป็นผมไม่ใช่ความผิดของท่านพูดคือท่านไม่ได้เป็นอาบัตเพราะตัวเองกระทำไมเรช่องคนอื่นเท่านั้นแต่ว่าเหตุว่าทำไมพระนอนไม่ห้ามคนอยู่ใกล้น่าจะบอกประมาณนี้แหละแต่ถามท่านเป็นอาบัตหรือไม่ได้เป็นอาบัตแต่ว่าปรับถ้าเรายอมยอมแสดงอาบัต อันนั้น้อยนี่แหละแต่ที่สําคัญคือทาไมต้องเล่นเล็ก น, น้อยเพราะเหตุว่าพระมากรการถามว่าคําว่าอวบัตเล็กน้นอยพระพุทธเจ้าหมายถึงอะไรจริงๆพระนุ่นก็รู้แต่เนื่องจากไม่ได้ยินจากปากของพระพุทธเจ้าท่านก็จะไม่ตอบเพราะพระพุทธเจ้าไม่ตรัสแต่รู้ว่าคืออะไ ร, ระยกตัวอย่างก็ยกได้แต่ถามพระพุทธเจ้าได้ตัดตรงไหนกั็พอเนาะไม่ได้ถัดพระพุทธเจ้ า, าไม่ คือนี่คือความผิดของเธอนะก็เลยประอาพระองค์ก็เลยแสดงยอมยอมแสดงอาบัติอันนี้ปัญหาคำถามก็คือว่าทำไมพระมหา ก, กัสวะซึ่งเป็นประธานสงฆ์ในเท่นั้นเป็นพระอริยะปุกคนทำไมต้องตำหนิคำถามก็คือ ต้องการวางกฎระเบียบกติกาอนุชนรุ่นหลังจำเอาไว้พระกร่อนที่จะตันหนึ่งก่อนเชี่ยลงโทษองอนางไรพระมหากระจะจะเรียกประชุมเหมือนพุทธเจ้าและที่ประชุมที่ส่งลงมติพระนองเคารพส่งถึงแม้ก็ส่งนั้นจัดเต็มไปด้วยผุชนก็ตาม เต็นพระหานก็ตามแต่เป็นความเห็นอันนี้คือความงดงามนะถามว่าทุกวันในเวลาพระมีความผิดอ่ะได้ผู้ชุมส่งได้ตัดสินใจกันไหมเออทำไมไม่าเอาของวุฒิมาใช้หมายถึงยุคเราเนี่ยถ้าเกิดไล่จับไล่สืบกันทุกวันเนี่ยผิดถูกยังไม่รู้มันมีที่มาที่ไปท่านเสียสลา พระมหากัสริยคือต้องการวางระบบระเบียบแบบแผนปฏิบัติเพื่ออนุชนรุ่นหลังเป็นตัวอย่างไม่ได้ตำหนิพระอานุนเพราะทำทันทนีแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อวางกฎ ร, ระเบียบกติก า, กานี่คือความงดงามคือการมองการไกลของพระสงฆ์พนักงานคนนึกถึงคุณของมหากัสริย์ึ่งเป็นคนที่ทำประตมสังขยังก็เกิดจากลกศิษยของท่านนั่นแหละคิดทำในอุปุธิเจ้า กฤษิกามักาสะปานที่เป็นผู้จุชนคือต้นเหตุของทำให้ปฐมสังขยนานแล้วพระอนุนก็เป็นหนึ่งในนั้นใ น, นหนึ่งน้นองค์สุดท้ายสรุปคือปฐมสังคยานานก็คือเกิดจากพระอระหันตะบุคคลทั้งนั้นครั้งแรกนะ่ทีนี้ถ้าเราจะถอดเราจะถอนคำสอน เออเปลี่ยนแปลงพระไตรปิกเกี่ยนพระทรสังเคนาต้องคิดให้หนักนะว่าท่านเหล่านั้นเป็นพระอริยพระอารหันต์เป็นอัเสขบุคคลแกเรากรรมไม่อยอมรับเราก็กลุ่มได้กลุ่มหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยคือควรที่ควรไม่น่าจะควรไม่น่าจะเป็นแตท่ทุกวันนี้ก็กรรมกําลังทําหน้าที่อีกไม่นานอ่ะผู้เราคงได้ข่าว ว่าใครจะเล่นกับของพวกนี้หายนะเร็วหรืชอช้าเท่านั้นเองคือหายนะเพราะถ้าตอนระหว่างแล้วค่อยดูคอฟังข่าวก็แล้วกันเพรามันเกิดอะไรขึ้นถ้าหมนี้เพื่อ น, น้อมระลึกถึงคุณของท่านพระอา น, นุ์เป็นพระอา น, นุนเรามาถึงถึงคําสอนหรือ ว, ว่าที่พระอานุนเทศแทนพระพุทธเจ้า เ, เราคงอยากจะรู้พระนรินทรแทนกุลเจ้าจะไปเรักเพราะเป็นมีความหมายขนาดไหนเมื่อเชาวเราพูดถึงต้นแบบที่เราพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนะี่ยที่เอามาใช้กันพระติระมหาติระทั้งหลายที่มีชื่อเสียงก็เอาของพระอา น, นุนมาเอามาใช้แล้วไม่บอกที่มาที่ไปมันน่าเกลียดไหมก็คือเหตุปัจจัย การเกิดการดับที่พระอนุนทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเรื่งองจากพระองค์เมือยล้าแล้วพระอนุ์ก็ทำหน้าที่อธิบาตก็อยากแท น, แ น, แนๆสั้นๆง่ายๆอยู่ในลักษองทำตรีจะไปแต่เป็นลักษณสูตรเทีไเป็นะเสขาบุคคลสูตรเขาพูดถึงการปฏิบัติ ทั่วไปในพูดถึงต้นเทศให้อวารแต่มหากระสันเาแค่พูดถึงปฏิปทาว่าเสขะบุคคลกับอาเสขะบุคคลทําอย่างไรเสขะบุคคลคือบุคคลที่ยังต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้ศึกษาอะไรถ้าสี่การห้าแต่พูดง่ายๆคือยังไม่จบส่วนอาเสขะบุคคลคือมันต้องไปศึกษาแล้วก็คือพระอริยพระอราหันต์พูด ง, ง, ง, ง่ายๆน้ตแต่เป็กสาวเรา แต่ก็แช่ก็ว่าเศษข่าบุคคลคุณคจะต้องศึกษาต้องเรียนรู้อยู่จะต้องทําตัวอย่างไรไอเสียประจําวันท่านก็จะบอกว่ายามที่หนึ่งยามที่สองยามที่สามพระไงก็ปฐมยามมัชชิมยามปัจฉิมยามก็จะทั้งตรงตัวอย่างไรเหมือนที่เราปฏิบัติอยู่นี่แหละคือปฐมยามก็คือจะต้องทอํายังไงเป็นหลัก มัจฉิมยามคือแม้แต่พระองค์นะคือพระพุทธเจ้าแล้วก็ปัจฉิมยามทำอย่างเราก็พูดถึงเรื่องปัจสมยามเนี่ยคือพึงตั้งสติสัมรูม้ขจายคำว่าสัมรวมอินสีนยทั้งใจคำว่าระวังถวาวรปัจมุมนถวาถวรถาวรนั่นคือช่องถวาวรน่นก็คือตาหูจมงงูกนั่นคือปากตา ว่ายงไงจมูกคือทวะหนักทวารเบาคือช่องทางที่มันไหลเข้าไลลออกของอารมณ์อันนี้ต้องสัมรวมฉันใช้คำว่าให้สัมรวมคือระมัดระวังแค่ว่าอินทรีย์นี่คือความหมายกันหนึ่งกัสองก็คือตั้งสติในการยืนเดินนั่งส่วนมัชฌิมยามอ่ะคือเป็นเวลาที่ต้องพักผ่อนแล้วเรจะต้องพักผ่อนด้วยความมีสติคือนอนเสียสัยยาก ความหมายของนั่นคือเสียใจยากเท้าขวาเหลือเท้าซ้ายเที่ยงขวาเหตุที่เที่ยงขวาอธิบายแล้วเพราะว่าหัวใจมันก็จะอยู่ข้างบนถ้าอยู่ข้างล่างมันก็จะทัดแล้วก็ตั้งสติเอาไว่อย่างที่เราพูดอยู่ว่าถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่มันก็กระดุกกระดิกพลิกตัวรู้ตัวมันตั้งสติเอาไว้เหมือนตั้งรายการพระพุทเจ้าจะกําหนดคือให้มีสติ กำหนดพุโทโธธมโมสังโฆกำหนดอะไรก็งไดง้ทั้งสติอันนี้ก็ยามยา ม, ยามที่สามยามที่สามคือ ป, ประฉยมมย า, านะมันต้องลกขึ้นปฏิบาทยืนเดินนั่งโดยเฉพาะเดินกับนั่งเกลี่ยคลายความว่่งเหาหานอนแต่ะทั่วไปนะแต่สำหรับพระพุทธเจ้าแล้วท่านจะโปรดเวนยะสัตว์พูดง่ายๆคือปดเทวดา กลางวันปลดมนุษย์เป็นคืนปลดเทวดาอันนี้คือหน้าที่ของท่านนะเพราะมั้นเวลาพระก่อนน้อยมากไม่ใช่น้อยแต่มานาปัจจุบันที่เราเห็นชัดก็คือปฏิปทาขอหลวงปู่เรามาถึงหลวงปู่สิลป์ทระเจ้าโรมท่านก็จะพาผู้เราสามทุกมสี่ทุ่มแต่วัดหายพระสดมนนั่งสมาธิโดยท่านก็จะเท้แต่กัง อาชีพุมไปก็ภักผ่อนักผ่อนเช้าตีสามกงปู่ปฏิปัตทางโบตีสามออกมาด้วยนั่งเราพูดธรวัตเช้าก็สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาีิแล้วก็จะเทศต่อเตรียมตัววินทบาทนี่ไป็นางก็อันนี้แหละคือปฐมยามมัชชิมยามปัจฉิมยามนี่คือปฏิปบัติพระนังก็เล่ากันเนี้ยนั่งแล้วก็พูดเรื่องการกิน คือการบริโภคเนี่ยกินให้มันพอประมาณถ้ากินเยอะไปมันก็ง่วงเหงาเข้านอนกินเท่าที่อยู่ได้กินเท่าที่มีเท่าที่อยู่ได้แล้วพูดถึงการกินเราต้องรู้จักประมาณประมาณในการกินซึ่งมันก็คือหลักหลักปฏิบัตทิทั่วไปที่มีในชีวิตประจำวัน่ะทีนี้เรามาทบทวนดูพวกเราพวกเราเรื่องเหล่าเนี้ยเรา คำว่าสัรวมเราใช้คำว่าสัมรวมไหมทุกวันเนี้ยล้วปฏิปัตทาเนี่ยควรจะดำเนินต่อหรือปฏิบัติตามไหมปฏิบัทานตัวเอก็เริ่มมีแล้วคนหนึ่งถอยคนหนึ่งไปปฏิบับาทาอ่ะคนที่จะเอาอย่สมัยพุทธกาลจริงๆแล้วก็สมัยครไบาอาจารย์ต่อไปภาพเหล่านี้ ก็จะน้อยลงน้อยลงมันจะเหลือแต่นกแก้วนกขุนทองแล้วก็นกแก้วนกทองก็ขันไปผิดตึกผูกจําม่ไงก็ขันไปอย่างนั้นแม่ไปรื่อยแต่นั้นอันตรายเนนพราะนั้นเมื่อเช้าเราพูดถึงพระอานุน์เพื่อยากให้พวกเราเอาตัวนี้ยศึกษาเป็นเกณฑ์เป็นหลักเพราะแสดงว่า ผู้ทเจ้าไว้วางใจให้พระอน์พูดพระอนุคงจะเข้าใจเจดตตางรมของผู้ทเจ้าแล้วถึงจะสื่อสารว่าอันนี้คือบรรทัดฐานเ น, ะนาะกลังอธิบายว่าสิ่งที่พู้เจ้าสั่งสอนมาทั้งหมดโดยสรุปโดยภาพรวมไม่ว่าจะเป็นอริยาาสัจสีหรืออะไรกัแล้วแต่โดยไม่พูดถึงความจำยากธรรมดาพื้นๆหมายถึงใ น, ในทางปฏิบัติจริงว่า ที่มอเช้าจึงเป็นคําถามที่พระนรธถามเองถามเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานไม่ได้ถามด้วยความไม่รู้ไม่ได้ถามด้วยความอยากรู้อยากถามเพื่อให้ออกจากปากของพระพุทธเจ้าว่าการปฏิบัติจากนี้ไปเมื่อพระองค์สิ้นพระชนไปแล้วควรจะทําอย่างไรเป็นบรรทัดฐานของคนทั่วไปคือจะต้องมาเป็นปัญหาไมครัมันก็จะเป็นปัญหาเหมือนทุกวนนี้ เพราะวันนั้เราจะยึดบุคคลเป็นหลักไม่ยึดหลักธรรมเป็นหลักเราต้องพูดตรงๆกันอย่างนี้ตอนนี้คำว่าบุคคลนี่มาตรฐานไหมไม่รู้นักใครตอบไม่ได้เพียงแต่ว่าศรัท ธ, ธ า, าคือชอบแต่บนภาษาง่ายๆคือชอบไอความชอบนั้นมันประกอบด้วยเหตุด้วยผลไหมนี่จริงที่ไปที่มาคือเหตุผลและความจริงที่หลวงพ่อพูดเสมอว่าเราต้องมีเหตุนะต้องมีผล ลักษณะคือเหตุผลนั้นต้องเป็นความจริงด้วยนะมันถึงจะใช้ประกอบใ น, นพิจารณาหรือตัดสินในการปฏิบัติได้พระนรนกนถาพระพุทธเจ้าเรื่องการทำไมมันต้องมนุษย์แัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ทำไมต้องเวียนไวไ่ายตายเกิดอยู่นี่ไม่จบไม่สิ้นก็คือชื่อเรวัฏฏะคือวนไปวนมาอาทำไมเพราะอะไร จนคนธรรมดาคือคนทั่วไปอย่างพวกเราชอบผ่านไม่สามารถทจะสืบสาราเรื่องถึงต้นต อ, นตอของมันได้มันอาศัยอะไรเป็นเหตุอาศัยอะไรเป็นปัจจัยแต่วความจริงคืออะไรเอาแค่สามคำสีค่คำง่ายๆพระเจ้าตรมตระเอิมเป็นยังไงก็พราะอาวิชาไงอวิชางเป็นต้นเหตุอวิชาคือความไม่รู้คือไม่รู้อะไร อวิชาปัจจญาสังขาราสังขาราในตร ง, งนี้หมายถึงความนึกคิดปรุงแต่งไม่เกี่ยวรูปร่างกายสังขารันนี้อวิชามปัจญาสังขาราสังขาราปัจญาวิญญาณังวิญญาณไม่ได้แปลว่านั่นละหรอเ ล, ละนะคือความรู้แต่ที่สุดโตวสุดท้ายคือวิญญาณังเป็นเหตุอะไรเกิดคือนามะรู ป, ปังคือนามและรู หลังจากนั้นสัวกะปริเทวตา ม, มาเป็นพวนพวกง่าเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายตา ม, มาเป็นพูนเลยแต่ต้นตอนมาคืออย่างนี้ทางอธิบายว่าไอสิ่งที่ไม่รู้คือไม่รู้อะไรคือไม่รู้อวิชชาปยาสังขารคือสังขารที่มันปรุงอยู่นั่นน่ะพวกง่านคือคิดเพราะนั้นพูเจะเจัดการองความคิดว่าที่คิดอยู่นั้นน่ะ มันเป็นกุศลหรืออกุศลมันไม่เกี่ยวกับจิตน่ะที่มันคิดอยู่นะทมันเป็นเป็นกุศลหรืออกุศลหรือมันเป็นกลางไม่รู้คำาไม่รู้คือไม่มีสติมันไม่มีสติหรือได้ว่าจิตมันกุศลเป็นยังไงมันเป็นอกุศลต้องเป็นยังไงคือโดยสภาวะจิต แต่พรเจ้าก็จะบอกต่อไปว่าจิตเดิมมันผ่องใสหมายถึงจิตเดิมจริงๆเขาไม่เกี่ยวกุศลอกุศลมันผ่องใสมันบริสุทธิ์มันสะอาดมันสว่างหมายนี้คือจิตเดิมนะเอาเชาปยาสร้างราเะปยาวีนะนยามปัจฉจะนามรูปังคือนามรูปนามรูปก็คือขันห้านี้เลยคือนามรูปแล้วก็ขันห้านี้เลย เป็นที่มาของสังขารคือการปรุงแต่งคือปรุงทางไหนคันห้าคืออะไรค า, ารคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเวนยยีนามันปรุงตรงไหนสลายตนาต่อต่อไปนา ม, มารูปปรเกดสลายตนาคือสลาเจตนะคืออายตนาภายนอกอกภายในย6กภายในที่เชื่อมอยู่เป็นตัวเชื่อม เอาเนี้ยมาปรุงเพรา ะ, ะนั้นที่ว่าขันห้าจึงเป็นที่มาของการปรุงเรีวสังคตธรรมทุกวันเราขันห้าเป็นเครื่องปรุงเอาไปนอาหารอาหารถ้ามีได้รปรุงไม่อร่อยอร่อนะไม่มีรสชาติอร่อยคือถ้าถอดพวกนี้ออกคือไข่ก็ใส่ไก่ลงไปเลยไม่ต้อ อ, อะไรปลากับปลาลงไปเลยคิดว่าจะกินได้ไหมโดยธรรมชาตินะ จิตแก็นเหมือนกันเราเอาเร ป, ปรุงมาแต่งจนอร่ อ, อยอร่อจนโมหะหลงครอบงำเพราะว่าชาติกลับมาที่เดิมเีาอะพราะอวิชามแต่แล้วถึงจะบอกว่าเพราะมีตัวเนี้ยมันเกิดความไม่รู้มันเกิดขึ้นมาในจิตของเราบัดจึงเกิดการปรุงแต่งตอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะปรุงดีหรือปรุงไม่ดีก็แล้วแต่มันจึงเป็นอย่างนี้แต่เราไม่รู้ก็กลับมาที่เดิมคืออวิชามแล้ว ดูว่าจิตมังกุสลกิรากุศลที่ปรุงแล้วมันเป็นกุศลพูดถึงให้ปรุงแล้วมันดีหรือไม่ดีปรุงแล้วตัวเองเดือดร้อนหรือคนอื่นเดือดร้อนมันไม่รู้มันไม่ปวเรียนอะไรเลยเพียงแต่ไปเสริมต่อความยาวสาว ค, ความย่ดตาเห็นรูปมันเกิดเอาวิญ ญ, ญาณมัเกิดเกิดความรู้ขึ้นมาความรู้คือชอบไม่ชอบเฉยเฉยแต่ชอบแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่ชอบเกิดอะไรขึ้นเฉยเฉยเกิดอะไรขึ้นแล้วอารมณ์ทั้งสอย่างมันเกิด กับเราเรารู้ไหมคำตอบคือไม่รู้ใช่ ไ, ไหมก็กลับมาที่เดิมอะ่ะ ม, มันจึงกลับไปกลับมาแต่สุดท้ายก็คือนี่คือเราต้องกลับไปกลับมาคือเวียนว่ายตายเกิดเพราะไม่เข้าใจใต้นตอต้อนเหตุของมันคือไม่ทำให้เป็นวิชาเมื่อวันไม่รู้คืออวิชาก็ไม่ทำให้เป็นวิชาคือไม่ทำให้มีสติเพราะนั้นตัวสติกนี้เป็น มันคุมทั้งหมดในความหมายคำว่าสติประเั้นเรื่องนี้อธิบายยังไงก็ไม่มีที่สิ้นสุขมันเป็นเหตุมันเป็นปัจจัยแต่เหตุมันเกิดอยู่แต่เหตุมันไม่ดับคือผลมันไม่ดับงนี้มันเป็นเหตุแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกันตัวนี้เปนเหตุตัวนี้มันยิงผลเป็นตัวผลนะมันก็เป็นเหตุตัวต่อไปอย่างเนี้ยเราจึงเรียกว่าเหตุปัจจัยที่เขาใช้กันอยู่อย่างเนี้ยอืพวกที่เอา อธิบายขยายความทุกวันเนี้ยก็กเพราะอย่างนี้นแหละคนตื่นทำกคนตื่นเต้นเกินตื่นโลกเกินตื่นอะไรก็มาลุกก็พูดเรื่องนี้แหละที่บอกว่าเหตุปัจจัยคืออันนี้คือที่มาที่ไปผู้อางาตาจะให้ที่ท่านคือพระอนุนนะนี่อันนี้คือที่มาที่ไปแต่เนี้นเอาภาษาเราง่ายๆถ้านเนี้ยมันก็คือมันคืออะไรก็คือพยาที่อธิบายให้มาลงตัวที่ตัวเรา ความมะทั้งหมดทั้งมวลในโลกธกาตุนี้คือตัวเราคือธาตุสี่กันห้าอันนี้มันแยกไม่ออกว่าขันห้ากับธาตุสีมันคืออะไรเมื่อขันห้ามันไม่ครบเหมือนฝั่งนน้นตอนนี้มันไม่ได้ครบคือธาตุสีเด่นน้ำไฟโดยอาศัยลม เป็นตัวหลักเมื่อลมมันไม่มีแล้วทุกอย่างไปหมดเลยดีนะไปลงนั่นคือรูปนะแต่อีสีตัวหลักเวทนาตัวการต่นเนี่ยมันไม่ได้ดับตาม น, น้เพูดไงคือจิตมันไม่ตายเราไม่เข้าใจตรงนี้คือรูปกับน้ําเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจตรงนี้ก็แปลไม่เข้าใจตัวเองจึงเป็นที่มากันปรุงแต่งคืออวิชชาและ้ว กลับมาที่เดิมเพราะนั้นเพื่อให้เข้าใจตรงนี้ครูเจริญแจก็ว่าสัจจะคือความจริงบุญเหตุของมันเหตุนะไม่ใช่ผลเหตุต้นต่อของมันก็คือคือตั้นหาที่เราเรียกสมุทัยสบายต้นเหตุตัวผลของมันกือทุกข์แต่ครูเจริอธิบายเรื่องทุก่อนเพราะนั้นจริงแล้วจะต้องทําอย่างไรนะหนึ่งสองสามสี่จะต้องทําอย่างไรการปฏิบัติจะต้องทําอย่างไร ก็บบาบอกว่าข้อหนึ่งสองสามสี่คือมีแค่สี่ข้อนีอ่เราก็เราหนับขั้นตอนหนูนจะต้องข้อหนึ่งจะต้องทำยังไงข้อสองจะต้องทำอย่างไรข้อสามจะต้องอะไรข้อสี่จะต้องอะไ ร, ะไรมีแค่นี้เองข้อหนึ่งทุกเมื่อเกิดขึ้นกับใครก็ตามทุกครั้งนอกไม่ว่าจะเป็นทุกกายหรือทุกใจก็ต้องให้เข้าใจว่าทุกเนี่ยมันหมายถึงทุกอะไรทุกกายหรือทุกใจ พผลง่ายคือทุกของรูปหรือทุกของน้ำอวิชางไม่รู้เนี่ยคือกล่ว่าอาวิชาคือไม่รู้ถ้าเกิดประวัติทิศมีความเห็นต้องทําความเห็นใหม่เริ่มต้นจะเออทําไมมันทุกข์เหลือเกินต้องถามให้มันได้ว่าทุกข์กายหรือทุกข์ใจมันจะได้แก้ถูกที่มังนงั้นคุคณก็จะบอกว่ทุกข์อย่างเดียวซึ่งไม่รู้มันทุกข์อะไร ทุกกายก็แค่ที่กายตรงกันทุกใจก็แค่ที่ใจมันถามว่าทุกนั้นมันเป็นเหตุหรือเป็นผลมันเป็นผลแล้วเหตุเปนมาจากไหนอ่ะมันต้องมีเหตุต้องไปหาที่สาเหตุไปแก้ที่ผลไปได้ไปแก้ที่เหตุเพราะฉะนั้นตัวแรกเนี่ยตัวแรกคือตัวทุกเนี่ยพระพุทธเจ้าในธรรมจกักถ้าเป็นภาษาไทยเราง่ายๆทอดความว่าทุกเนี่เราจะต้องกําหนด รู้แต่ทุกคนอยากจะละคือไม่อยากให้มันมีก็เรามไม่ฟังพระพุทธเจ้าไงเราไม่เข้าใจเราไม่อยากให้มันมีแล้วพะุทธเจ้าสอนสอนมาอย่างนี้ไม่สอนเอาแล้วไปเอามาจากไหนเนี่ยคือความเข้าใจตั้งแต่เริ่มเริ่มเลยการปฏิบัติไม่ไปไหนมาไหนก็เพราะอย่างนี้เพราะเราไม่ฟังพระพุทธเจ้าบพุณธังตนางกระจายมิบอกไว้ไหนเนี่ยข้อแรกนะ ว่าให้กําหนดรู้คือกำหนดให้มารู้อะไรรู้จับทุกนั่นแหละรู้เสร็จแล้วก็ตัวที่สองคือพวกง่ายสมุทยัยแสดงคือตันหานอันนี้คือต้นเหตุ ต, นต้ตนเหตุจะต้องทำยังไงตัวนี้จะต้องละมันจะต้องละคือละได้มากละได้น้อยเป็นเรื่องหนึ่งจะต้องให้มันลดละเลิกจนจนนั้นไม่มีแต่ถ้าไม่มีทีเดียวมันเป็นไปไม่ได้ ต, ตัวที่สองไม่ใช่ละทุก ตัวแรกคือเสวยไทยตัวที่สามเนี่ยมันเกิดแล้วจะต้องทํำมันดับจิตเราดิโรดนะจะต้องมาให้ดับมัได้เกี่นความคิดอย่างเนี้ยความโลภ ค, ความโกรธมันหลอมเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมามันจะต้องดับถ้าเกิดมันไม่ดับมันก็เป็นวนต่อไปเพราะฉะตัวเนี้ยต้องต้องทําให้รู้ให้รู้แจ้งทางเขาว่าให้รู้แจ้งตอนนี้มันยังไม่แจ้งมันยังมือจุนซุ่ม สีเทาสีดำมึงอยู่ในใจของเรา ต, ตัวที่สื่อทำให้จริงเพราะทำจริงหรือย่างทะเลาะเละๆห้านาทีสิบนาทีปวดขาพอละเดินไป1ินาที2ีนาทีเมื่อยพอละแล้วทำมาจริงไหมไม่จริงไงเขาเรียกว่าทำไม่จริงไงแล้วก็ไม่ต่อเนื่องด้วย ศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญานี่คือกระบวนการเขาเราไม่ครบศรัทธาได้อยู่ก็เชื่อเชื่อว่าทำนี่แต่ระยะความเพียรมันไม่ถึงไงศรัทธาและสติคกมเพียรแต่ละสติมันไม่ต่อเนื่องสติอันนี้มันไม่ต่อเนื่องคือมันยิง่งศรัทธาสติสมาธิแล้วก็ไม่มั่นคงในอารมณ์ อารมณแปรปรวนแม่ไหนไม่นอ น, น ค, อคล้ายว่าสมที่ไม่ได้เพราะจิเป็นสงบอย่างเดียวนี่ปัญญาเสร็จแล้วมันก็ไม่รู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงความหมายของว่าปัญญากองสังขารคือกองขันห้านั่นแหละคือเป็นกองกองกองกองทั้งห้ากองเรียกกองสังขารเนี่ยที่เปที่มาง ก, การปรุงแต่งมันไม่จริงมันก็ไม่เปิดปัญญาเนี่ยสุดท้ายตอนั้นคืออยู่ที่เนี่ยคือไม่ได้จริงจัง จับได้ว่าทําทําไปตอนี้แวราเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่มทางวัฏฏะทอดความมาแล้วสมมติเดาเป็นวงกลมสติสมาธิปัญญามันล้อมอยู่วงกลมตั้งเป็นวงกลมและจิตมาอยู่ตรงกลางเอาจิตไปตรงกลางกันทำยังไงเอาสติตอเนี้ยสอนสามตัวเนี่ยสติสมาธิปัญญาอบรมจ่าอบรมจิต ว่าจิตมันเป็นกุศลมันก็ต้องรู้คือมีสติจิตมันเป็นอกุศลก็ะก็ต้องรู้ด้วยสติสติคือการรู้ตัวว่าตอนนี้นเป็นกุศลนะตอนนี้จิตเป็นอกุศลนะฝึกให้ามารู้อย่างนี้คือมันดีมันไม่ดีสุดท้ายจริงคือสมาธิต้องมันงม่นคงมาคงในอารมณ์นี่คือการอบรมจิต อรมจิตของตัวเองถ้ามไม่อุปรมมันก็ไม่ฉลาดอะจิตจะไม่ฉลาดไม่ฉลาดก็คือโง่คิดก็คิด ง, ง่โง่พูดก็พูดโ ง, ง, ง่โ ง, ง่ทก็ทำโงโง่เพราะมันไม่ฉลาดไปทดสอบไม่ได้วะเพราะไม่อุปรมไม่ดูแลจิตของตัวเองแล้วใครจะอบรมเราได้เราเราะพิ่สังเกตสังการดูจิต ในจิตในขณะดนี้มันเป็นกุศลหรืออกุศล ร, รู้เฉยๆตัวที่เป็นเฉยๆได้ไมีตัวเดียวคือสมาธิเท่นั้น่ะที่มันทับเอาไว้แต่ไม่ได้แปลว่ามันไอ้กุศลอกุศลมันหายไปนะเพีเยงแต่ว่าสมาธิเป็นตัวกดมันไว้คือทับมันไว้แล้วหินทับยากแต่ว่าออกแก่สมาธิคือเอาหินออกมันแค่เหมือนเดิมนเนาะเกิดวิเดียวแต่ยังไงก็ตามก็ยังดีให้รู้ว่เออถ้าจิตมันรู้บ้างก็ มันเป็นอย่างนี้กุศลมันเป็นอย่างนี้อกุศลเกิดมันเป็นอย่างนี้ด้วยความมีสติสุริยบทอื่นมันเป็นเรืร่องธรรมดาอริบทไหนก็ได้มันได้หมดขอให้มีสตตุเป็นตัวแรกสติสมปัญญาเป็นตัวสุดท้ายที่จะจะขจัดที่จะจะเข้าใจสปปรรพสิ่งทั้งหมดอืเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งโบน่ะก็คือสรุป ง, ง่ายๆคือตัวเราเองนี่แหละ ความไม่รู้ตัวเองคือไม่รู้ต้นหาไปเปิดถ้าเป็นภาษาเราวงจรออกมาข้างนอกหนึ่งก็จะบอกว่าที่เป็นวัตถะอยู่นี้ก็เพราะว่าห น, นึ่งเราเข้าใจว่าชาติชราพปธิมรณะก็จบแค่นี้มันไม่ใช่นะ่ะก่อนชาติต้องมีพบคนที่เป็นชาติอย่างพวกเราเนี่ยเกิดเป็นหญิงเป็นชายเด็กและคนชาลาผู้หญิงพวกแกอเ น, นี้ยอันนี้คือชาติคือชาติแต่ตัวที่มาก่อนนะั่นคือพบ แล้วออกจากมรณะไซม์ก็ไปที่ภพเหมือนเดิมเพราะบรรลุตอนที่ภพก็คือกามาพบลูปภพ อ, ปอารูปภพภพเหล่านั้นเข้าไปแล้วเขายังนึกถึงมนุษย์คือภพอมาของมนุษย์ไปแล้วไม่เคยอยากจะเป็นอย่างนั้นเพราะเป็นเสร็จแล้วหมดอายุไขัแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมในหลวคือมาเป็นบารามีเรื่มนุษย์พราะฉะนั้นถึงว่าเราในโชคดีที่สุดแล้ว เป็นพบเป็นภูมิที่โชคดีที่สุดแต่และไม่เอาความโชคดีนะี่ยมาเป็นเหตุมันเป็นปัจจัยในการปฏิบัติตัมโมจะเป็นนึก่งึงอะไรก็ไม่รู้โทษกรรมโทษเวรโทษอดีอตโทษอนาคตก็ไม่รู้บางครั้งพุทธเจ้าบอกตาด้อมหมดแนละ้วให้เอาปัจจุบันอย่างเดียวที่มีคำว่าปัจจุบันปัจจุบันในขณะนั้นก็คือปัจจุบันจิตจิตจะเป็นกุศลอกุศลหรือว่าจะเจอให้รู้ สุดท้ายปลายทางจริงคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับจิตที่เป็นกุศละอกุศลเลยคือเข้าถึงจิตเดิมคือจะเรียกว่าจิตมันปองใสอ น, นันต์งเขาจิตเดิมคือเขาบริสุทธิ์เขาปองใสเขามีรัศมีอยู่ในนั้นแต่เราจะเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงตรงนั้น่ะพนังการปฏิบัติธรรมของเราจะไม่สูญเปล่าเลยถ้าเราเข้าใจหลักการอันนี้ไม่งั้นก็จะกลายเป็นหลักเกิน ไปฟังอะไรมาก็ไม่รู้คือคือไม่ฟังพุทธเจ้าอะไม่ฟังสาวกที่บอกเขาไม่เอาสาวกเลยขนาดพุดทธเจ้ายัางให้พระสาวกแสดงธรรมแทนอะแกดูดิแต่เราจะไม่เอาสาวกอะมันเป็นเรื่องประหลาดเนอแล้วก็ลืมไปว่าพระใจพิสดุจมาสาวกเราสาวกเราพุทธเจ้ามาได้คือเรากับมือหนี่งแต่เราจะไม่เอาไม่เอาก็แปลว่าอะไร เ็แปลว่าไม่ออกพระใจประดกบางส่วนอย่าเลยพระใจประดกครั้งแรกพระอรหันทั้งนั้นก็แปลว่าเราไม่เอาคําของพระอรหันเลยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นห <c oughs> าะนะ น, นี่ก็ฝากพวกเราทุกคนสําหรับน้อฝึกต้องหันนปฏิบัติก็อันนั้นคือหลักหลัปกปฏิบัติในภาคปฏิบัติจริงๆมันไม่ได้ยุ่งยากมากเรื่องซับซ้อนใดๆขอให้อยู่ในไอ้บทคือยืนเดินหนั่งนี่แหละคือกายเนี่ย ยืนมันจะใช้ได้น้อยนอนก็เดียกไปก็ไม่มีสติแล้วประมหมายคืออม่มีสติคุมร่างกายลย้ก็เหลือ แ, แต่สองอัยบทคือนั่งแล้วก็เดินเพื่อให้เราเห็นทุกข์้อรยยบทนี้ให้มันมากเท่าที่มากได้คือจะได้เกิดสติก็สติอนี่เออทุกข์ที่พูะเจ้าสอนเป็นคำแรกในอริยสี่เป็นอย่างนี้ ปัจจุันกขึ้นจะต้องอะไรต้องกําหนดนะไม่ใช่ไม่อยากให้มันมีนะมันแปลงไ ป, ป, ปไม่ได้ไมันต้องกำหดรั้วนั่นก็ทุกทุกศัพท์ว่าทุกเวท น, น า, าทศัพท์วาท่วาทเทวนาเขาก็มีเขาก็เป็นเขาอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่ใช่มีเราคนเดียวทุกคนที่มีรูปขันนามขันนั้นมันมีบทนะปัญทักษ์เราเข้าใจแล้วจัดการกับรูปกับขันของเราคือขันห้าขัน การฝีขันหนึ่งอันนี้ได้เนี่ยคนนั้นก็จะเข้าใจตัวเองส่วนรูปร่างกายสังขารอายุอาณาเทศอยู่ได้มากได้น้อยเป็นเป็นข้อรองลงมามันไม่ได้ประเด็นเมื่เกี้ก็อายุยืนอายุน้อยอา ย, อ ย, อยุมากเพี่องตอนนี้เราทําเราทํามากพอหรือยังกับทําอันนี้ทํามากพอมันต่อเนื่องหรือยังก่านมันเกิดกับมันไม่ต่อเนื่องมันมาดึงเชื่อมโยง และที่สำคัญคือยังไม่เห็นยังไม่เห็นประโยชน์แล้วก็ไม่เห็นโทษของการเกิดแก่ดเจตตายมันตอนนี้ที่เรามองไม่เห็นป่วยไงคือไม่เห็นเวลาอะทั้งทางที่จิตรู้ยังอันดานเตั้งสมัย ต, ตั้งแต่พระอานนุน์บริพารบุญ้าหลังปพยนตร์สี่สิปีพูดง่ายๆเอาแค่พระอนุนบริพารก็สองพันกว่าปีมาแล้วด้วยจิตของเราก็ยังอยู่อย่าง แม้แต่ครูบาอาจารย์ของเราหลายรูปหลายท่านที่เกิดพันในยุคนั้นแต่ก็ไม่ได้ประโยชน์เห็นไหมไม่ได้ประโยชน์คือได้ประโยชน์ป่า ก, กุฏามือสองพันกว่าปีมาแล้วในขณะที่สองพันกว่าปีทากรรมมาสารพัดแล้วใช้กรรมใช้การกระทํำของตัวเองเกิดเป็นนั่นเป็นนู่สารพัดครูอาจารย์เราเช่นเดียกันเหมือนพระพุทธเจ้าเกิดเป็น เพราะนั้นเราจะไปคิดว่าอย่าประมาทคํานี้นี่ยังใช้ได้อย่าประมาทว่าเป็นสมณะพระเนนชีพราหมณ์หรือคนหรืสิ่งที่ทําปฏิบัติธรรมแล้วจิตจะไม่ตกต่ำมันแว บ, บเดียวไปเดียวไปคนละเรื่องจิตถ้าจิตมันจะเคลื่อนหรือว่าจุติออกจากร่างอันนี้ไปมันไปหาที่ตั้งใหม่นะจิตตัวงนี้เพราะมันเหลือ่เสียตัวคือเวทนาสัญญาสังข า, า, ารเนี่ยคือมีแต่ คือมีแต่นามอะเพน่นแต่มันต้องมีรูปอยู่นะมันต้องกีอยู่แล้วถึงรูปนั้นอาจจะเป็นรูปละเอียดรูปละเอียดคือภาพที่มันเกิดจากใจ่ะคือภาวะคือภาพคือพบมันต้องหาที่ตั้งมีที่ตั้งแต่ว่าจะเป็นรูปปัจชานหรืออารูปปัจชานมันต้องมีมีที่ตั้งจิตมันก็จะไปต่างนั้นแะแต่ถ้าจิตมัน รูปปัจจันก็ไม่ด้อาลูปปันร์ไม่ไมันถ้าไปก็ไปที่พบคือการมมาพบกรรมมาพบมันไม่ไหนสิ่งสาระสารเขาก็มีนักกรมมนุษย์คนนั้นก็มีนักกรรมแล้วมันจะไปทางไหนก็สินนี่ไงสิลไม่ชัดเจนเราไม่เห็นคุณค่าของศิลเป็นเบื้องต้นนะ่เพราะนี้คําว่าสํารวมที่พออระอรุณหมายถึงก็คือสินนี่เองเป็นเบื้องต้นคําว่าสํารวม ทวารทั้งหมดทวารทั้งหกคืออีกสี่หนึ่นเงเก็คือสินตัวนี้แหละแต่เราไม่ต้องห่วงสินในภาคปริยัติกับภาคปฏิบัติมันต้องไปซับสนสินในภาคปริยัติมันเป็นเรื่องสมมติแต่สินภาคปฏิบัตินะ น, นั่งลงเมื่อไหร่กายวาจาเงียบสงบเมื่อไหร่เป็นสินท่านคือไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปสาธยายไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องไปขอกับพระ สององค์ในองค์ไหนก็ตามมันเป็นศินทันทีเราจะมีสินทันทีในพักปฏิบัตินะวันนั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องพวกนี้มากมายขอให้เราทําไม่ได้เกี่ยวกับเพศไม่เกี่ยวกับวัยไม่เกี่ยวกับใดใดทั้งสิ้นกรรมสินะเราเข้าใจว่าเออพระต้องมีสินเยอะอันนั้นมันจะเป็นสิกขาบทนะไม่ใช่ตัวสินนะมันตัวสิกขาบทที่มันเยอะกว่ากันเท่านั้นเองมันจะแปลวคนสิกขาบทเยอะๆแล้วจะดีกว่าไม่ใช่ ไม้แช่ว่าคนที่เขาสินน้อยสินห้าสินแปดแล้วเขาจะแยก่กว่ากินสองร้เจ็ดมันไม่ใช่นะมันคือสีขาหมดไปแล้วเองกับสินที่แท้เจงเกินเนี่ยคือการรักษากายวาจารวิญญาเป็นสินทันทีแล้วใครจะทําได้มากจะทําได้น้อยให้เราเข้าใจอย่างนี้เสริมมันจะไม่มีความปริพเทศไม่มีความกังวลไม่มีความกังวลจิตมันก็จะเบาจิตมันก็จะเข้าใจมันจะวางอะไร อื่นๆที่มันกังวลมาปริโพุธเยอะแยะมากมายตัดปริพุธตัดความกังวลออกหมดก็มาเริ่มต้นใหม่กําหนดสติสมาธิปัญญามาอบรมจิตเนี่ยที่เราทำของธรรมนี่คือเพื่ออบรมจิตของเราเลยให้มารับรู้เออจิตที่เป็นกุศลเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอากุศลมันเป็นอย่างนี้นะจิตจริงๆมันไม่มีกุศลอาภศลเพราะว่าจิตกุศลมันเข้างามอาภัศลมันเข้างาม มันถึงได้เป็นอย่างนั้นเหมือนเด็กเด็กมันดีเป็นชั่วไหมอยู่ที่เราอบรมสอนเขาลูกเต่ารอหลานเรานะแต่เราเราอบรมเขาดีเขาไปลางดีเราอบรมไม่ดีเขาไปจิตก็เหมือนกันจิตที่คนที่ไม่ได้รับการอบรมเลยคือให้ปฏิบัติเลยผู้เราก็เห็นอยู่ทุกวันเนี่ยแต่เห็นกันอยู่ทำไมมันต่างกันทำไมในคุกเต็มไปหมดอ่ะเพราะอะไร ทั้งแต่คนก็มีจิตเหมือนกันแล้วทาไมถึงเป็นอย่างนั้นเออเพราะว่ามันไม่เข้าใจก็กุศลอะกุศลเป็นอย่างมันถึงได้เป็นอย่างนั้นหลังการปฏิบัติธรรมแท้จริงต้องการให้เราเข้าใจอันนี้คือท่าศีกานาของตัวเองให้มันมากคือต้องที่มันได้ก่อนที่จิตตรงนี้จะหมดซึ่งพวกเราไม่รู้ว่ามันจะหมดเมื่อไรแต่ท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านรู้อย่างตัวอย่างเช่นท่านอ น, นุ หรือพพุทธเจ้าต น, นแล้วก็คำหนึ่งที่พระมากรสปะตำํำหนิพระพุทธเจ้าคือเรื่องนี้แหละว่าพระพุทธเจ้าให้นิมิตหมายว่าทําไมไม่ไม่ขอเอาไว้ว่าจะยุยืงยาน้องกัน่พระอนุนก็เลยมว่าเป็นสวดา บ, บันไม่พระอารามก็คือไม่ได้พระมหากรสปะก็เลยตันเหมือนก็นตําหนิละถ้าท่านอนุนอขอแต่ว่าพระพุทธเจ้าคงยุยยืนมากกว่า น, นี้ มาเรืออันนี้คือเป็นที่มาวันนี้เราพระนรินท์เต็มๆลงถึงปฏิปทาทุกอย่างที่เป็นของพระนรินท์เราควรจะโอบรมอิโก้บ้างโดยงเฉพาะการสํารวมการอยู่การกินทุกอย่างเนี่ยหรือการเวียนว่ายตายเกิดที่อธิบายเป็นภาษาพูทธก็เพราะว่ามูแคสสารสีข้อนี้ยมันตามมาเป็นพูนเนี่ยทอนี้อยู่ที่เดียวคือจิตของเราเนี่ จิตของเรายังมีไม่มีความสําคัญมั่นหมายในธาตุสีกนันห้านี้ยังเป็นสังขารคือยังเป็นที่ปรุงเป็นที่แต่งโดยภายนอกภายในหกแกงนี้อันทันที่ผสมประสานกันในวันหนึ่งเราวางวางไม่ได้หนระือต่างกับพระแม่ครูบาอาจารย์เราต้องรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้เข้าใจสิ่งเหล่านี้คือสมาธิฏฐิะสะกัดกันอยู่ได้หมายกันว่าจิตมันจะออกจากร่างแล้วดิน น้ำไฟลมเขาก็ไปธรรมชาติของเขาท่านรู้ก่อนตั้งนานแล้วแต่เราไม่รู้เนี่ยนี่เรื่องคขาว่าอวิชชาไม่ได้แปลว่างโง่นะเราไม่รู้สิ่งนนี้ไม่ทันสิ่ง น, นี้จึงเชื่อๆเลยเลยจิตเอาใจร่างอะไรเมื่อเวทนาชัดเจนเมื่ อ, อไหร่ถึงจะได้รู้เช่นหิวข้าวก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งก้นั่งการกินเนี่ยบอกว่า กินพอประมาณกินวัตถุประสงค์กินเพื่อบรรตรเวทนาจะตั้งไว้แบบนี้เพราะฉนั้นคือแค่บรรลุเวทนาเก่าที่มันเกิดขึ้นให้มันเวทนามันมากเกินไปก็กินบริโภคเข้าไปทุกวัน น, ะนั้นหนมือ้อสองมือ้อสามมือ้อเพื่อบรราเสิ่งนี้ท่านผูอื่นพอ ก, กินเข้าไปเสร็จแล้วมันก็หายไปความหิวโหยก็เวทนาที่มันก็หายไปก็จะอยู่อย่างนี้ต่างๆ ท, ที่ เวทนากรรมมาหาเราทุกวันแต่ไม่รู้ปัญหาคือแบบเกินระู้นั่นคือเวทนานะเมือ่อเข้าใจอย่างนี้ยเออกินก็มันปกติทั่วไปกินมากกินน้อยกินยังไงก็ได้ขอมันอยู่ได้ก็พอแล้วเออชวิตอะไรกันนะกันนะมันก็แค่อิ่มแค่พอนะอย่างเนี้ยมันก็จะอยู่ได้เราจะเข้าใจชีวิตเพราะนั้นกันปฏิบัติธรรมเกินบริหารใจการชีวิตก่อนตัวเอง ว่าจะลืมสําคัญที่สุดคือความเพียรแล้วก็สัตติคือความต่อเนื่องมันมันถึงจะได้ผลถ้าทําไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่ได้ผลคือได้มั่งไม่ได้บ้างไม่ได้ไม่ได้ผลแต่ว่ า, าจะได้เห็นผลเห็นผลจริงๆริงนะมันต้องต่อเนื่องสามวันห้าวันเจ็ดวันลองดูต่อเนื่องเลยเราจะเห็นเราจะเข้าใจสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวงตามความเป็นจริงก็คืออริยะสัจสี คำว่าเห็นคืออริยสัจสีแต่อยเลื่อว่าข้อสุดท้ายสําคัญมากคือจริงก็ต้องทําจริงและกําหนดต้องให้กําหนดกําหนดให้มันได้จริงจริงจริงคือใช้ได้ทั้งสามข้อเลยข้อหนึ่งก็ให้มันจริงนะข้อสองก็ให้จริงนะข้อสามก็ให้จริงคือดับก็ให้ดับจริงดับมากดับน้อยไม่เป็นไรสุดนําไปสู่ข้อที่สามคือว่าจริงนี่จริงเลยว่าถ้าครบ ทั้งสี่ข้อสี่ประเด็นนี่แหละถ้าเกิดกขึ้นกับผู้ใดก็ตามจะเรียกว่าอวิยะสัต์คือเราพบความจริงและแก้ปัญหาความจริงอันนี้ได้ด้วยตนเองไม่ได้แก้เราได้นะแก้ได้ด้วยตนเอง่าอยู่ที่เราจะแก่หรือไม่แก่มันก็ตามนั้นแหละตามเหตุตามปัจจัยอวิชาปัจญาสร้างข้าวา สังขาราปัจจญาวิญญาณวิญญาณปัญญานา ม, มะรูปัปงเศทษกิสลายจะตต่างตามกันมาเรียกแบบนี่คือกระบวนการที่มันเป็นอยู่เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจหลักการนี้แล้วมุ่งไปที่จิตอันเดียวเราเข้าใจหมดสามคำมันไม่ได้เยอะเลยสตื่สมาธิปัญญาแล้วทั้งสามอย่างช่วยกันอบรมดูเลยรักษาจิตช่วยกันสอนจิตหน่อย เพรงั้นมันไม่ฉลาดมันจะเป็นอกุศลคือเป็นที่มากับปฏิบัติธรรมของพวกเราพรณีเรื่องศินมันต้องเป็นห่วงกายปจรจักมาแล้เป็นเป็นศีลท่านคือทานนราทำมาเยอะแล้วชีวิตนี้ถ้ามาเริ่มที่ศินสมาธิปัญญามันรับองง่ายๆกับมรต้องอะไรมากตัดคำพนดออกไปไปเอาทางปฏิบัติคือสติสมาธิ ปัญญงเพื่อมุ่งไปที่จิตของเราแค่นี้นสามคำสามปัญญ์สี่ปัญญในชีวิตประจำวันการปฏิบัติทางเราจะเห็นความเจริญของก้าวหน้าคือเห็นกุศลจิตอกศุลจิตหรือพ่อดีเขาเสียของมันนะเราก็จะวางและเข้าใจถ้าเสียกันหน้าอนนี้วันนั้นก็การปฏิบัติธรรมของพวกเราถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะมีความรู้ในกองสังขาร คือถ้าเสียกันหาอันนี้ด้วยปัญญานึกเป้าหมายปลายทางเพราะนั้นก็ขอให้เราทั้งหลายได้ความรู้แจ้งเห็นจริงจากการทำจริงนะเราก็เจริญและเห็นความจริงในกองสังขารอันนี้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสัญญาคือจอะจไรไม่รู้ก็ขอนุโมนาความดีที่เราทุกคนที่ตั้งจิตตั้งใจมาวันนี้อย่างต่อเนื่องในภาษาการนี้ ขอมนุษณาขอความดีอนนี้จงเป็นภลวะคือกําลังจงเป็นปัจจัยอาศัยเนื่องซึ่งกันและกันจงเป็นบารมีเพื่อเพิ่มเพิ่มถึงให้ถึงฝั่งโน้นให้มากที่สุดก่อนที่เราจะล่มจมลงน้ํามหาสมุทรคือการตาระหนักเพราะวตระหนัวิปวะตัณฑ์ขอให้เราไปถึงฝั่งโดยเร็วทุกคนทุกท่านเทอด